พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2สองสุตตันตปิฎกมาชิมานิกายมุลปันนาฏวัคที่สองชื่อสีหนาฏวัคคือวัคมีสีหนาถสูตรเป็นหัวหน้ามีสิบสูตรพระสูตรที่สิอจุลสีหนาฏสูตรสูตรว่าด้วยการบรรเลือสีหนาถสูตรเล็กคำว่าเล็กหรือน้อยคู่กับใหญ่ หมายความว่ามีสูตรซ้ํากันสองสูตรก็ต้องใช้คําว่าน้อยสูตรหนึ่งใหญ่สูตรหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องหมายจําง่ายและเป็นเครื่องหมายยาวสั้นกว่ากันด้วยพระผู้มีพระภาคประทับหนเชตวนารามตรัสกับอีกษุทั้งหลายว่าสมณะที่หนึ่งถึงที่สหมายถึงโสดาบันถึงอรหันต์มีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัทธิอื่น ว่างจากสมณะเหล่านี้ท่านทั้งหลายพึงบันลือสศีหหน้าโดยชอบอย่างนี้เถิดตรัสต่อไปว่าถ้านักบวชลัทธิอื่นถามถึงเหตุผลที่กล่าวอย่างนี้ก็พึงอ้างความเลื่อมใสในศาสดาในธรรมะการทำให้สมบูรณ์ในศีลและอ้างผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมซึ่งเป็นที่รักที่พอใจทั้งเข้ารือหัดและบรรพชิษ ถ้าเขาอ้างว่าในลัทธิของเขาก็มีเหมือนกันจะมีอะไรทําให้ต่างกันก็พึงถามว่าความสำเร็จสูงสุดของท่านมีอย่างเดียวหรือหลายอย่างถ้าจะตอบให้ชอบเขาก็ควรตอบว่ามีอย่างเดียวพึงถามต่อไปว่าความสำเร็จนั้นๆสำหรับผู้มีราคะโทสะโมหะและกิเลสอื่นๆอีก หรือว่าสำหรับผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและกิเลสอื่นๆถ้าจะตอบให้ชอบเขาก็ควรตอบว่าสำหรับผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและกิเลสอื่นๆตรัสถึงภาวะทิฏฐิคือความเห็นยึดถือความมีความเป็นวิภาวะทิฏฐิความเห็นยึดความไม่มีไม่เป็น สมณพราหมณ์ผู้ติดอย่างหนึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่ออีกอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้เท่าทันตามเป็นจริงเรากล่าวว่าจะไม่หมดกิเลสไม่พ้นไปจากความแก่ความตายและความทุกข์ได้ต่อเมื่อรู้เท่าทันตามเป็นจริงจึงหมดกิเลสและพ้นไปจากความแก่ความตายและความทุกข์ได้ ทรงแสดงอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสี่อย่างคือความยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏฐิศีลพรถคือข้อปฏิบัติประจาลัทธิพิธีและวาทะว่าตัวตนแล้วตรัสถึงสมณพราหมณ์บางพวกที่ปฏิญาณตนว่ากล่าวถึงการกําหนดรู้อุปาทานทั้งปวงแต่ก็ไม่บัญญัติการกาหนดรู้อุปาทานทั้งปวงจริงคงบัญญัติอย่างเดียวบ้าง 2 อ, อย่างบ้าง3อย่างบ้างขาดไป3มอย่างบ้าง2อย่างบ้า ง, อ, ง, อ, ยา ง, างอย่างเดียวบ้างคืออุปาทานมีสีเมื่อบัญญัติการกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวก็ขาดไปสบัญญัติการกำหนดรู้เพียงสองอย่างก็ขาดไปสองอย่างและบัญญัติการกำหนดรู้เพียงสอย่างก็ขาดไปอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ได้ ความเลื่อมใสในธรรมวินัยในศาสดาเป็นต้นจึงไม่ถึงความดีเลิศหรือสัมมัคคตะเพราะข้อนั้นเป็นไปในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีครั้นแล้วตรัสถึงอุปาทานสี่ว่าเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากผัสสะผัสสะเกิดจากอายตนะหกอายตนะหก เกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากวิญญาณวิญญาณเกิดจากสังขารสังขารเกิดจากอวิชชาเมื่อละอวิชชาได้วิชชาก็เกิดขึ้นจึงทําให้ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานทั้งสี่เมื่อไม่มีอุปาทานก็ไม่ดินรนเมื่อไม่ดินรนย่อมปริณิพนธ์คือดับสนิทเฉพาะตนสิ้นชาติ อยู่จบพรมจรรย์แล้วทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกสำหรับคำอธิบายศัพท์มีอยู่แล้วในสมาทิฏิสูตรที่เก้าซึ่งย่อมาแล้ว